ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าในความรู้สึกผมรู้สึกว่าสติตัวเองไวขึ้นครับดวงตาสามารถรู้ทันความ เวลาส่วนใหญ่อย่างอารมณ์โกรธอย่างโมโหงไงครับจะรู้ทันได้เร็วขึ้นแต่ก็มีบางครั้งยังยังหลุดได้อยู่ครับหลวงตาเพราะผมเคยจําที่หลวงตาเคยสอนผมตอนที่ก่อนจะออกต่างในบครั้งแรกบอกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ําเห็นผักตบชวาลอยมาเห็นหมาเน่าลอยมาให้รู้แต่ว่ามันมาให้มันผ่านไปอย่าไปกระโดดเกาะผมก็เลยานึกว่าช่วงที่ผมโกรธและผมไม่ทันเนี่ย ผมเหมือนผมก็โดดไปเกาะหมาเน่าหรือกระโดดไปก่อกับผักตบชวาแต่พอสักพักหนึ่งเหมือนเรารู้ตัวมันก็จะปล่อยออกมาครับหลวงตาที่ที่ผมสังเกตผมว่าตอนนี้ตรงนี้ดีขึ้นครับหลวงตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนถามหลวงตาคือว่าเวลานั่งสมาธิครับหลวงตามีความรู้สึกว่าเหมือนมันตกอยู่ในภวังแอะมันแก้ไม่ค่อยออกครับตรงตาครจะ แ, แก้ยังไงครับหลวงตาครับรู้มันอยู่ตรงกลางเงี ย, ยบ ที่เราบอกว่ามันมีสภาวะเหมือนจิตมันตกผวัาอย่าคิดแก้ไขอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดแก้ไขไม่ต้องคิดว่าพยายามอะไรไม่ต้องคิดว่าเราเป็นอะไรไม่ต้องไปมีความรู้สึกว่าเราแช่เราแย่เราติดเราถูกดูดเข้าไปในอะไรคือให้มีแต่สภาวะอย่างนั้นเนี่ยอย่ามีความรู้สึกว่ามีเรามีตัวเรา ถ้ามีแต่สภาวะอย่างนั้นเนี่ยสภาวะทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาย่อเปลี่ยนไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนเราตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนมีแต่มีแต่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือใจที่มีแต่ความรู้มีแต่ความรู้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีไม่มีตัวเรามีแต่ความรู้ใจ ที ters, 私は私はいい่มีแต no ่ความรู inside, mm ้ไ hmm. ม่มีตัวตนไม่มีตัวเราแล้วก็รู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยมันมีสภาวะคล้ายถูกดูดเข้าไปในอะไรสักอย่างเดียวก็รู้อยู่ตรงนั้นแหะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราถูกดูดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องผักสจะต้องพยายามแก้ไขอะไรรู้มันอยู่เงียบๆอย่างนั้นะรู้อยู่ตรงนั้นนะรู้อยู่รู้มันอยู่อย่างนั้นนหะ ไม่มไ่ต้องมีความพยายามแก้ไขผักใสหรือดิ้นรนเะไรอย่าให้มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปไปมีตัวเรามีตัวเราเราตัวเรากําลังจะตายตัวเราจะแย่ตัวเราแช่ตัวเรากําลังเป็นอย่างนุ้นตัวเรากําลังนี้เป็นอย่างนั้นอาถาพยายามดิ้นรนผากไสให้รู้อยู่ตรงที่รู้นั่นแหละรู้อยู่ตรงที่รู้เพราะใจมีสภาพแค่รู้มีสภาพแค่รู้ตัวตนของใจไม่มีแล้วก็ใจ ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรามีสภาพแค่รู้ <c oughs> ก็อยู่กับตรงรู้นั่นแหละแล้วเราก็จะพบใจพบใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่ไม่อยากปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารที่ท่านกล่าวว่าสังขารกับวิสังขารมันอยู่ในที่เดียวกันนะั่นแหละมันอยู่ตรงที่เดียวกันถ้าเราเนี่ยไม่ไดิ้นลนผักใสไม่ไหลติดไปกับสังขารปรุงแต่งคือความคิดความปรุงแต่งสิ่งที่เกิดดับได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ไหลไปตามมัน ไม่ขับพยายามไปแก้ไขมันเราก็จะพบวิสังขารอยู่ตรงที่สังขารนั่นแหละสังขารกับวิสังขารมันอยู่ตรงที่เดียวกันน่ะเราจะพบอยู่ในที่เดียวกันที่ใดเคลื่อนไหวได้วิสังขารคือความที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ไม่มีตัวตนไม่มีกิยาไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่สภาพรู้ก็อยู่ในที่เดียวกันเพราะสิ่งใดเคลื่อนไหวย่อม ย่อมที่นั้นย่อมมีความว่างถ้าไม่มีความว่างไม่ไม่สามารถมีสิ่งใดเคลื่อนไหวได้ไม่มีสิ่งใดเกิดดับได้ไม่มีไม่มีสิ่งใดแสดงกิริยาการได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีการคิดมีแสดงกิริยาการปรากฏเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ต้องเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในความว่างไม่มีสิ่งใดที่เคลื่อนไหวได้ถ้าไปหยุดถ้าไม่มีสถานที่ว่างไม่มีความว่างรอบๆบริเวณนั้นมันจะต้องมีความว่างรอบๆบริเวณนั้นจึงทำจึงสามารถมีความเคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ ดังสิ่งที่เคลื่อนไหวรอบๆสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้จะต้องมีความไม่ไม่เกิดดับไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความว่างเปล่าสิ่งใดเกิดดับสิ่งใดเปลี่ยนแปลงมีความคิดความนึกความรู้สึกมีแสดงกริยาการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นสังขารเรียกว่าปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์หยุดสนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ไปหลงยึดมันจะทําให้จิตใจเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา วิสังขารคือมีสภาพรู้ตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างคือว่างจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากกิริยาการใดๆรู้อยู่ตรงก็รู้อยู่ตรงที่รู้นั่นแหละเพราะว่าใจมีสภาพแค่รู้ก็รู้อยู่ตรงที่รู้นี่ยแหละรู้อะไรก็รู้อยู่ตรงที่รู้นั่นแหละไม่ต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแตกแซงอย่างใดรู้มันอยู่เฉยอย่างนั้นแหละแล้วก็จะพบใจที่มีสภาพรู้ เพราใจมีสิมีสภาพรู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแทรกแจ้งอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้อยู่ตรงที่รู้นั่นแหละไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแทรกแจง้งพยายามจะแก้ไขปรับแต่งใดๆทั้งหมดมันก็จะเป็นใจแท้ๆที่เป็นมีมีแต่สภาพรู้ตัวใจไม่มีใจไม่มีกิริยาการใดๆแต่ถ้าพยายามแก้ไขยพยายามปรับแต่งพยายามดิ้นหลนกระเสือกกระสนหาหนทางอย่างไรก็ตามจะไม่พบใจที่มีสภาพรู้อย่างเดียวที่ไม่ไม่อยาปรุงแต่งได้ เข้าใจไหมเอาใหม่พูดที่พูดใหม่ก็ที่หลวงตาเทศอธิบายเมื่อกี้ทาให้ผมเข้าใจว่าทุกครั้งที่ผมไปเจอสภาวะนี้ยผมก็จะหาทางแก้ไขมันตลอดครับว่าจะทํายังไงให้มันหลุดให้มันหายไปมันก็เลยไม่เจอสิ่งที่หลวงตาอธิบายมาว่าจริงๆแล้วให้เราแค่แค่รู้แค่ดูเฉยๆครับเรามันก็จะผ่านไปได้เองครับหลวงตาครับอืมทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปมันเอง ครับไม่มีใครยึดถ้าไม่มีใครเข้าไปยึดพยายามดิ้นลนแทรกแยงแก้ไขปรับแต่งยังไงก็ตามทุกอย่างมันต้องเป็น่ยนทิศทาทุกฐานนัตตาไปตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเราไปยึดไว้อะสิ่งนั้นนะมันเปลี่ยนแปลงแต่มันในใจเราไปยึดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสแสดงว่ามันก็คล้ายๆกับอาการของเวลาเวทนามันเกิดใช่ไหมครับหลวงตาใช่เพราะสิ่งที่ท่านเป็นรู้สึกว่ามันดูด มันดูดไปมันก็เวทนาเป็นอาการเวทนาว่างโล่งปร่งเบาสบายไม่ว่างไม่โล่ลงไม่ปร่งไม่เบาสบายเหมือนสภาวะถูกดูดถูกแฉะเลยมันก็เป็นอาการของเวทนาอ๋อครับหลวงตาครับเข้าใจแล้วครับถ้าไม่มีใครยึดมันมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับให้เป็นสภาพรู้เราจะพบใจเราจะพ้นจากสภาพสังขารทั้งมวลได้ถ้าพบใจแล้วใจที่ไม่ปรุงแต่งเพราะใจเป็นวิสังขารหรือเป็นอาสังกัตธาติที่ไม่มีตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้ถ้าพบใจแล้วเป็นใจแล้ว มันก็จะพ้นจากสังขารทั้งมวลเองให้รู้อยู่ตรงรู้นั่นแหละอย่าไปกระตกกระแตกเวไวยที่โพติพายดิลน์ผักใสเอานทางอย่ามีความรู้สึกว่าเราแช่เราแย่เราจะเป็นอย่างว่าเราจะเป็นงี้เราจะเราจะเป็นเราจะตายแล้วทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นใจที่รู้อย่างเดียวที่ที่ไม่มีกียรยาการ ใ, ใดๆได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเองไม่ตามกฎของอาจางทุกขางอนาา้นหรต่า ถ้าท่านยายาหาทางที่หล่นฝักใส ย, ยังไงท่านจะไม่พบสภาพรู้ที่เป็นใจแท้ๆที่มีเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขารท่านอีกคําถามหนึงครับหลวงตาครับสมมุติว่าเวลาเรานั่งสมาธิมันก็ไม่ได้นั่งได้ดีเหมือนกันทุกวันบางวันมันนั่งแล้วมันเหมือนสมาธิมันไม่เกิดแต่ว่ามันมีความคิดที่เกิดขึ้นเนียครับหลวงตาผมจําได้ว่าท่านบอกว่าให้รู้ว่า มันมีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันต้องรู้หรือมันต้องปล่อยขนาดไหนครับหรือว่ามันต้องตามตามไปคิดก่อนขนาดไหนถึงจะปล่อยครับหลวงตาครับอืมันเหมือนอาการฟุ้งอ่ะครับมันจะฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันจะสงบหรือไม่สงบมันก็ไม่ใช่ใจเพราะใจนมันมีสภาพที่รู้อย่างเดียวอะไม่มีอาการใดๆได้ดังนั้นะมันจะสงบก็ให้ใจได้แต่รู้มันไม่สงบฟุ้งซ่านก็ให้ใจได้แต่รู้ แต่ใจมันไม่ฟุ้งซ่านและใจมันไม่ได้หยุดฟุ้งซ่านใจมันได้แต่รู้ความความที่หยุดฟุ้งซ่านความสงบแล้วก็พอมันไม่สงบฟุ้งซ่านใจมันก็ได้แต่รู้มันคิดขึ้นมาในความฟุ้งซ่านมันคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือในความสงบมันมีความคิดอะไรขึ้นมาใจก็ได้แต่รู้เราไม่มีไปดับอะไรได้แต่รู้อย่างเดียวอ๋อเราเรามีหน้าที่แค่รู้หรือดูอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจรย์ใช่ใช่มันจะได้ แต่ได้พบใจ ท, บที่มีสภาพรู้อย่างเดียวที่ปรุงแต่งไม่ได้จะสงบหรือไม่สงบจะฟุ้งซ่านหรือไม่ฟรรุ้งซ่านยังไงก็ตามเน่ะได้แต่รู้เพราะใจมีสภาพได้แต่รู้ไม่มีหน้าที่ไ ป, ไปพยายามดับไม่ให้ฟุ้งซ่านครับเพียงแต่ว่าเราไม่คล้อยตามความคิดฟุ้งซ่านความปรุงแต่งหรือพยายามไปไล่ดับเขาได้แต่แค่รู้แต่ไม่คล้อยตามไม่หลงไปตามความคิดฟุ้งซ่าน ให้เป็นใจที่ได้แต่มีสภาพแต่รู้มันจะฟุ้งซ่านยังไงก็ได้แต่รู้แต่ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ใจไม่ใช่เข้าใจผิดพยายามไปดับความฟุ้งซ่านหรือหลงไปกับความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านนั้นมันก็จะไม่มีสภาพเป็นใจที่ได้แต่รู้เพราะว่าเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านที่พูดมาที่ท่านคำถามและที่ตอบมาวันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ว่า เป็นคําสอนของพุทธเจ้าที่เลิศประเสริฐที่สุดและจะหลุดพ้นออกจากทุกอย่างได้หลุดพ้นออกจากทั้งโลกด้วยหลุดพ้นออกจากรูปลดกินเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมารมทุกชนิดหลุดพ้นจากอาการแช่อาการแย่สภาพทุกใดๆทั้งมวลได้หลุดพ้นจากทุกได้ถ้าเป็นใจที่มีสภาพรู้อย่างเดียวไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจแทกแซงใดๆได้เนี่ยเป็นการแก้ที่มาตรฐานที่สุดของพุทธเจ้าคือได้แต่รู้ สมดังที่ตัดกับพัยยะว่าถ้าเธอสักแต่ไปวารู้เธอจะพ้นจากทุกข์จะไม่มีตัวตนของเธอทั้งในภพนี้และในภพนในภพไหนเธอจะไม่มีตัวตนของเธอทั้งในปัจจุบันและอนาคตเธอจะสิ้นกิเลสและสิ้ทนทุกข์เธอจะบรรลุพรนิพพานพัยยะฟังจบบรรลุพรนิพพานเลยสมาังที่ว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันิพานที่มีแต่สภาพรู้แต่ไม่มีตัวใจไม่อาจแทรกแซงไม่อาจดินน้นรนไม่อาจกระเสือกกระสนไม่อาจผักใสได้ไม่อาจเล่าร้อนกระวนกระวายใจได้ไม่อาจจะปรุงแต่งฟุุงสร้างประการใดๆไดๆๆ้เพราะใจมีสภาพแต่รู้แต่สิ่งใดที่มีกิริยาการได้ใดทั้งหมดล้วนแต่เป็นสภาพความปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งหมดสังขารและวิสังขารมันอยู่ในที่เดียวกัน ที่ใดมีสังขารที่นในก็นมีวิสังขารมันอยู่ในที่เดียวกันแน่ไม่ได้อยู่ในที่อื่นหรอกรู้มันอยู่ตรงรู้เนี่ยหน่ไม่แทรกแซงไม่ผักใสไม่หลวงูดูนาตตุโลว่าไม่คล้อยตามไม่คล้อยตามไปตามความคิดอารมณ์ได้แต่รู้แค่รู้สัตวารู้สมองที่พระองค์ได้ตัดกับพยะหรือกับพระมรุกยาบุตรสักตว่ารู้แล้วเธอจะพ้นจากทุกข์กได้ แต่สิ้นความมีตัวตนเป็นตัวตนแกให้ตกนะแบบเนี้นะให้เป็นรู้นะออืแล้วท่านจะหลุดรอดจากไอ้ที่ท่านก็ไปติดเหมือนกับตกไปในผวางถูกดูดเข้าไปในในในวังน้ําบนท่าติดมาอย่างเงี้ยความพบครามชาติมานานเป็นมาอย่างเงี้ยถ้าท่านไปเป็นใจที่ได้แต่รู้ท่านก็จะหลุดออกมาได้ เพราะว่าท่านคงจะทำสมาธิในแบบในแบบของสมาธิในแบบจิตสงบของแบบฤาษีมานานเพราฉนั้นสมาธิที่จิตแบบสงบและมีกำลังในแบบของฤาษีท่านคงทำมานานมากแล้วแต่ท่านหลุดออกมาเป็นวิปัสสนาไม่ได้เข้าถึงใจมาเป็นใจที่ได้แต่รู้ไม่เป็น ถ้ามาเป็นใจที่ได้แต่รู้เป็นท่านก็จะมาเป็นพุธทธะแต่พบชาติได้พบชาติหนึ่ง ม, มาแล้วท่านไปจับอารมณ์แทนไปจับเวทนาจแทนไปดิ้นรนผักสายเวทนาไปจับเวทนาที่สบายและดิ้นรนผักสายเวทนาที่ไม่สบายท่านไม่ได้เป็นสภาพรู้แค่รู้สัตวตะวันรู้ถ้าเป็นรู้สัตวตะวันรู้ก็จะเป็นพุทธนานแล้วแต่ท่านติดแบบเนี้ยหลายพบหลายชาติมาแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าแช่แล้วก็ด <these things S 2> right, ิ so problems, right? leave, diet, so ้นลนผักใส่ไอ้ที่ดิ้นลนผักใส่มันเลยแช่เพราะมันมีตัวตนหลงว่ามีตัวตนมีตัวเรามาเป็นเป็นอาการนั้นพอมีอาการอะไรก็ตัวเราเป็นอาการนั้นตัวเรามีอาการนั้นอาการนั้นเป็นตัวเราเราแย่เราแช่พอมีสบายโปร่งโล่งเบาวก็สบายก็เราสบายเราโปร่งเราโล่งเราเบาสบายพอนิ่งเฉยว่างก็ใจเราใจของเรานิ่งใจเราใจของเราสบายใจเราใจของเราสงบ ใจเราใจของเราว่างใจเราใจของเราสว่างใจเราใจของเราสบายมันมีอะไรเกิดขึ้นมีเรามีของเราเราของเราเข้าไปปนเราเลยหมดสภาพแก่เป็นรู้สักตะวะนรูร้ไม่เป็นใจที่มีสภาพรู้มันมีกลายเป็นเรามีตัวเรามีของเราเอาวิชาไปปนเป็นความที่มีวิชาไปปนมันเลยไม่เป็นพุท ธ, ธะมันเลยเป็นแต่ชาลือีเพราะเป็นชาลือีเราหาทางออกวไไ่าดเร็เลยแช่ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าทำในมาเป็นใจเนี่ยมันจะมีกับเบากับหนักเบากับหนักเบากับหนักมีแค่สองอย่างพอเบากับหนักเบาชอบหนักดิ้นรนผักใสเบาชอบหนักดิ้นรนผักใสมันจะติดอยู่แค่สองอย่างแล้วก็จะติดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ทุกท้ายก็ติดติดไปข้ามพบข้ามชาติก็ไปไปเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปเป็นอ น, นันตการหาที่จุดจบไม่ได้เบาชอบหนัก ดิ้นรนผับใส่เบาชอบหนักดิ้นรนผักไสที่ท่านกล่าวว่าหนักทุกหนักหนอทุกหนักหนอก็เก็บทุกหลักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเก็บทุกหลักสุขคุกหนักหนอทุกหนักหนอเพราะพยายามฝืนความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกทุกเพราะฝื้นความจริงพ้นทุกเพราะรู้เห็นและยอมรับ ตามความเป็นจริงยะถาภูตยานัท ส, สนะประตูก้าวข้ามโลกไปสู่ผนิาพานยะถาภูตยานัท ส, สนะรู้เห็นและยอมรับตามความเป็นจริงย Dank, อย่างอย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นใน so ทุกขณะปัจจุบันถ้าอย่างนี้มันก็จะหมดเรื่องพูดกันเลยไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องพูดอีก เพราะทุกอย่างมันจบที่ใจจบที่ใจที่ไม่ไดิลลนทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่แค่ทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบันถ้าอย่างเนี้ก็จะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีความเลาร้อนใดๆสมดังพุทธเจ้าตรัสกับปิยาว่า ตัดกับพะยะและพระมาลุงพยะบุตรว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้สักแต่วิเห็นสักแต่ยินสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารูแาร้แจ้งจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกบรรพณิพนานทางพยะและพระมาลุงยะบุตรก็บรรพณิพนานยะถาภูเตยา น, นัทสนะนัเนี่ย เป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พันิพยานทั้งรู้ทั้งเห็นและยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อใจดิดหยุดดิดนลนหยุดสแสวงหาหยุดกิริยาจิตหยุดปรุงแต่งหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นหยุดที่จะเอาอะไรไม่เอาอะไรได้แต่แค่รู้รับรู้อย่างที่มันเป็น รับรู้อย่างที่เห็นรับรู้อย่างที่ได้ยินรับรู้อย่างที่มันเป็นในใจเราในร่างกายในจิตใจของเราต้องรู้ต้งเห็นและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นไม่แสกแซงไม่ดีลนไม่ผักใส่ไม่ปรุงแต่งไม่มีความอยากหรือไม่อยากอย่างไรใจมันก็พลจากทุกทันทีมีความสงบ จากทุกสงบจากความปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้ความปรุงแต่งมาสงบไปแต่ใจสงบจากความปรุงแต่งไม่ใช่ไปพยายามทำความปรุงแต่งให้มันสงบแต่เป็นความสงบจากทุกสงบจากความเล่าร้อนสงบจากความเดือดเนื้อร้อนใจใดๆมีแต่ความสงบรลมเย็นมีแต่ความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้ไปสวยหรือเสพอะไร แต่เป็นความสุขที่ปรสศจากทุกปรสศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขความสงบความร่มเย็ยนที่ออกมาจากใจที่ปรสศจากทุกปรสศจากความยึดมั่นถือมั่นปรสศจากกิเลสตัณหาดิลเทยานอยากแม้แต่รู้แจ้งแล้วยังไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งคงมีแต่ความรู้แจ้ง ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งสมณพุทธพจน่ว่ารู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งหลวงปู่ล่ายัางพูดไว้อีกว่าหลวงปู่ล่าเข ม, ม่าปัตโตพูดเจากาะว่าพระนิพพ า, านไม่ใช่ผู้รู้พระนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายคือไม่ไม่มีอะไรจะหมายได้ที่หมายไว้ก็เป็นแต่แม่นแมน เพราะไม่จริงยังหมายไว้นั้นไม่อาจหมายได้ว่าคืออะไรไม่อาจหมายได้วันเป็นอย่างไรเพราะหมายถ้าหมายไว้เมื่อไหร่ก็เป็นของปอมหมดอาจไม่ยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราก็จะพ้นจากทะเลทุกทะเลลงไปได้แล้วผู้รู้ก็ปล่อยให้เป็นผู้รู้ของเขาไปซะไม่มีใครยึดผู้รู้ ผู้รู้แจ้งแล้วก็ปล่อยเป็นผู้รู้แจ้งซะเป็นความรู้แจ้งไปซะไม่มีใครรู้แจ้งท่านจนกล่าวอีกว่านิพพานแล้วคงปล่อยให้เป็นนิพพานไปซะไม่มีใครยึดนิพพานถึงใจที่รู้แจ้งแล้วก็คงปล่อยให้เป็นใจที่รู้แจ้งไปซะไม่มีใครยึด ไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นเจ้าของใจผู้รู้แจ้งคงมีแต่ใจผู้รู้แจ้งสับแต่ว่ารู้แจ้งไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งแล้วท่านยังกล่าวอีกว่านิพพานก็คงปล่อยเป็นนิพพานไปซะไม่มีใครยึดนิพพานไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียว ผ่านตลอดผ่านตลอดนี่เนี่สุดยอดคําสอนดีก็ผ่านตลอดชั่วก็ผ่านตลอดกุศลก็ผ่านตลอดอกุศลก็ผ่านตลอดเลิศประเสริฐขนาดโจกระกทั่งเหนือดีเหนือชั่วคือ น, นิพพานผ่านตลอด ไม่ยึดไม่ผักไซไม่ไหลตามไม่ยึดไม่ผักไสไม่ไหลตามผ่านตลอดดีก็ผ่านตลอดชั่วก็ผ่านตลอดกุศลก็ผ่านตลอดอกุศลก็ผ่านตลอดโป่งโล่งเบาสบายก็ผ่านตลอดไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายก็ผ่านตลอดนิ่งเฉยสงบว่างก็ผ่านตลอดไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่างก็ผ่านตลอด นิพพานแล้วเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลเนอกุศลก็ผ่านตลอดไม่ยึดอะไรเลยไม่ผักสายอะไรเลยไม่ไหลติดไปกลับอะไรเลยเนี่สุดยอดคําสอนแม้แต่นิพพานกงปล่อยให้นิพพานไปซะไม่มีใครยึดแม้แต่นิพพาน ใจว่างเปล่าไปหมดเลยมันดังอาอกาศก็คงปล่อยให้ใจว่างเปล่ามันดังอากาศไปซะไม่มีใครยึดใจที่ว่างเปล่ารู้แจ้งแล้วก็คงสักคต้ใจว่ารู้แจ้งซะไม่มีใครยึดถือว่าตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งนิพพานแล้วก็คงปล่อยเป็นนิพพานไปซะไม่มีใครยึดถือว่าตัวเรานิพพานผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอด ยะถาภูเยญนาทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งยอมรับตามกว่าเป็นจริงอย่างที่มันเป็นดีชั่วสุขทุกบุญบาปกุศลอกุศลแม้แต่ที่สุดแล้วเนื้อดีเนือชั่วเนะือบุญเนือบาปเนื้อกุศลอกุศลขึ้นนิพพานไม่มีผู้ยึดเลยผ่านตลอดลนั่นแหละท่านจะไม่ต้องกลับไปเวียนวน ในวัฏะสงสารเองตะเกียดทุกลักสุกดีลักชั่วช่างท่านพยายามจะดิ้นล้นออกผักสายออกจากสภาวะทมใดๆหรือออกจากอาการใดๆที่ท่านไม่ชอบใจเท่ะกลับไปเวียนวนไปแก้ไขดิ้นลนผักสายแบบนี้อีกเป็นอนันตาการไม่รูกกี่ภพชาติ